เป็นวันไหนวันนี้เป็นวันที่สองตอเดินนสิ่งต่างรรงนี้เราได้สายที่สามสายที่้าวันนี้เปพูดถึงว่าไปคาคาเนียดูลถึงอะไรเรี่องพระเจ้าตดาบันนะสติคาธิบายนาคาเมียดคาริบายถ้าเราเห็นนาคาเมียแต่ถ้าที่คาคาเมียไม่มีตังค์ดบาย เม่านนี้ดูเราถึงต้อ ง, งทำอะไรกัเหมือนกันเมื่อมีเราอธิบายไ่จะเรื่องเราบอกว่าเหมือนกันชไมที่นีอนะหาตำราไม่ได้ <c oughs> เรียนมาไม่ขึ้นเดียวไปตำราเนี่ยก็บอกว่าพระโสดาวมันเป็นการเราไม่ใช่เหมือนก่นรนนลอว่าพระจ้าิตาราร์มีตัดลายพระทำเยอะ โทษค ว, วามปวดความหลงเรื่องโลกความโลกโทษค ว, วามปวดควหลงที่เราบางไว้แม่อี่บายไว้วันนี้ก็จะขออธิบายไม่ได้แก้หนังสือนะไม่ไดแก้เขาแต่ขึ้นไปถามพระได้ไหมที่หลังตงู้ขึ้นไปถามพระที่หลังตงู้ไไเขาตู้ฝางไว้ ท่านบอกคนยังมีคำอธิบายเพราะพรสิทธะบอกโสดาใบปให้เอโลมิชีคือทั้งทั้งสามขั้นนะโกลังโกละสัตรูปรมะให้เอโลมิชีจะรูอะไรนะขั้นมันมีอ่อนมั น, มนยาดกงกาม ม, มริมเข้มอันบอกว่าอยู่ขั้นธรรมดานมากมีปัญญาเล็กน้อยในสมาธิไม่พอทุกคน แต่มีถึงบริสุทธิ์ไม่สมบูรณบริสุท์หรับพระสีทาธรรมมีเรื่องให้ปัญญาคือเรื่องตัดตัดโลภะความโลภตัดทสัความโกตัดความหลงเราตอโสดาวน้ว่าเป็นการยักยั้งึงไม่อยากได้ตัดส่วนไหนของใครโดยไม่ชอบธรรมนี่เป็นการยัแยั้ความโกรธจังรี เลย ว, ว่าไม่ไปกับบาทไ่จอมนั่งจอมขันามหลงยัยงมีแต่ไม่ออไ ค, ความตายก็ลงความว่าใจใช้เราจะมาที่สูงกว่าปัญญาปัญญาใช้ได้น้อยข้องเข้าเดสด็จคาถาดูก็มาพิจารณาโทษหรงความโลภคำว่าโลกตัวนี้นะไม่ไหนหความระ ย, ยับเลยง่ายใจ โลกเป็นไม่ใด่อยากรวยไม่อยากโกงเขาอยากขโมยของเขาอยากแย่งเขาอยากิ him, ้อนเขาในเมื่อตนเป็นโลกโลภาพของโลกถูกไหมโทษจกความโกรธถ้าโสดามันยังมความโสดึงที่จะไม่จองล้างจองหลานตันนี้ก็เศราธรรมีหธรรมไก่พโกรธไ่พระโรธได้เบาลงเบาโสดาบั ธาจะมีความหลงไม่ความสวยกว็ถึงเอาเต็มทีทแาทา่แต่ทําษีแทนอะรตัดให้ลดตวเลยว่าเกีกับความสวยตัดลดลงความหลงตัดลโลงก็ลองฟังว่าถ้าที่ากทำมีต้องมีงสมรภู้ิกักําลังใจถ้าเราโสดาบันแค่ได้จะดีวีได้ถ้าทำถึงแล้วนะ ถา้าจะจะเาลดิจตว์สตว์นี้ตออว่าแต่ค น, น, น, น, น, น, นยังไม่เริ่มประสดาวันเดียวพระสดาวันนี้จะมข้นรใครยาเป็นกลางอะไรอยู่อันนี้ก็าสิญชาตญาณให้เราลงไปก็มาพิจารณาเห็นทถึงความโลภคืออยากได้ถ้าสมัครสมรส เวลาที่เรายับยั้งไม่ได้แค่ยับยั้งติดยังคิดอยู่ติดเห็นแล้วไปชอบใจเห็นท้าสมัยคนอื่นแล้ไปชอบใจใช่ไม่ได้ให้ลดกำลังลงให้ทางความมโเขา้าใจน้อยวไปื่องหมดไปก็มาพิจารณาจึงโดษในความโลภถ้าจิตยังมีความโลภอยู่คือไม่ว่าจะยับยั้งกำลังใจอยู่ ไม่อยุดรับตั้ ง, งาตาแต่ต้งไครโดไม่ชอบราวก่างแต่ความมุ่นวายของมือก็ยังมีดงเรื่องหาทางแตกความโลกเจนนรณาโทษความโลภมันมีขึ้นมาเป็นความสุขทุก ข, ขจจกันขทุกตอนจะเจอแรงอิมัลมาเจอความดุใจจะรับแต่ความโลสจะอยกได้ก็ต้ขของหมายถึงบกคนไดถที่มาแล้วที่ไม่ได้นอนได้ล มันใหญ่จะได้แต่คิดใหญ่จะได้แม่มมยจะไม่อยู่แต่คิดคิดคิดไอคิดก็ต้องตัดที่อารมณ์แต่คิดว่ากิดวัตรทั้งมัดทั้งหมดเท่าที่เรามีอยู่เราหาได้พอแล้วสามารถทรงตัวได้ถ้าได้มามากกว่านี้เซอร์สัมมาจีวะแม่จะหมดทั้งใครในความนี้ถ้าได้มาเรื่องนั้ได้ก็มิฉาดอะไรมิขาดจีวะได้มาทางนี้คือ เรักเขาก็โวยเขาก็ตามจิตใจมันก็เร่าร้อนในเหอการไหนว่งารโรคอย่างนี้เกิดขึ้นเมการก้าวัดตัวทั้งพมบคข้มใครใครก็รักทั้งทัศน์หมายรใครระหโหเหนในเมื่อเราไปเอาทัศน์หมายเขาเขาเจ้าของเขาโหเพราะว่าก้าวต่ดตัวแล้วไในเมื่อเรามีควาเสีทยงมีความทุกขข้อประจั เรื่องนี้ที่แก้ความโลภคือให้ทานเพื่อเรื่องแก้แทนที่เราจะรับจะเอาของเขามาเราให้แทนการให้ทานในการตัดโลภะความโลภคจะนาเรื่องความสมดุลทางให้ทานคนที่ให้ทางและยกอมเป็ที่รักเขาว่าคนก็รักคนที่รักไปหนึ่งคนแต่ว่ารักเราหลายคนก็ไรในบ้านนั้นเลยสิบคน ถ้าเราได้ของทิ้งหนึ่งกับคนใยบ้านนั้นหนึ่งคนแต่คนในบ้านทั้งหมดรับทนได้หมดคนในบ้านทั้งหมดก็เป็นเรื่องเขาก็เป็นเขาว่ารักเราเราจะไม่ได้รักของเขาแลต่ในการที่สองถ้าบุคนคนนั้นเขามีเพื่อนผูปีคนมีพวกป้องเท่าไรนั่นเมาเห็นว่าเราไม่กามเพราะเพื่อนของเขาเขาว่ารักแต่เมื่อเราให้ของเขาเราให้เขาความรักก็เกิดขึ้น แจ้การนี้สองนอกจากความดักก็เชื่อเห็นแล้วพุ่งไปตอนไปแต่เมื่อเรามีเมตตาที่มีการลงทษตายด้วยก็กต่างร่ำรวยกับเราคนไรนเขาดีนะถ้ามีความรู้ความยากอะไรมากักากกงค์เขาลงโเราแต่คนนั้นที่ดุเวลาตายไม่ลงตายทำไมเพราะเวลาตายไม่ลงวัยจะูเพระเื่องมันมีสิ ข, ข้อ่อที่เรื่องสิพ่อ ไม่ได้เลือไปจะพูดนะแต่กไปจะพูดผงอนตสาลามาแล้วนะในปร็นนี้ก็โลภามว่า็จะดิการทำให้หาทางใส่ความโลกหนึ่งเห็นโทษต้งปาบความโลกแต่ไปต้อไม่เห็นคุณการให้หรือการให้เป็นสำคัญเพราะว่าบุคคลใดวัตกางถ้ามีทุกมาดาวตกก็ตอเลยจะไปใส่วเราถ้าสมทอได้ไม่ถูกแม่นยูก็สก็้อได้ปัญญา ให้การแก่ทการทำอย่างนี้จะทำให้ความรู้สึกขงความโลภปัญหาลงกว่าเมื่อโซดาบันเมื่อโดาบันไม่แค่ยักยําไม่หาทางตัดเรื่อการที่สองด้นตัดโลสให้คบาบาลงมืโซดาบันจะโกรธจัดแนะแต่วาจะไม่รุนแรงมาถึงเรื่อการท้าวี้อ็เกิดน้อย วิธีที่ให้สวดน้อยคุณ้ีทางมีทั้งสองทางเสนอองค์ยะที่สี่ผสมกระสืนสี่องค์วิหารสี่กระสือยหนึ่งความรักเพศตารคามรักคุณาคามรุตการรุตการในจิอนโยนไม่ก้าวลอย่าใครให้ใครดีดีคอยดีดีวยช่วยขาบอยเหนื่ออันดับแรกถือว่าคนเรนศักทั้งหมดที่มีชีวิต เริ่รักทักถึินขงตนหมือนกันรักส่วเองไหมอกันไหมกับเราเราไม่ต้องการให้ใครมาทำลายด้านใดเราเราก็ไม่ทำายด้านใดเขาถ้ามีความยักความร้องไร้ในเขาเหมืนัเรานี่ยหลังจะกนั้นก็ต่อเลยว่าความนักความร้องไหมีอยู่ได้เพราะอะไรก็ต้องหนึ่งใครจะให้ การให้ทายเริ่มในใจในคนะวามนะพร้อมวิญญาวาจาการโูตรดีพคดไร้ละโคตรที่ข้าใหญ่ผูค้คนรักษาอย่างนี้เป็นที่ข้าเที่ข้าใหญคนรักษาในเมื่อรมีแต่คนเข้าเป็นมีคนทังน่งแ ร, ร, รื่องโกรธาัวจักก็ไปดีสามารถจาจดียาเพื่อเหลือากายเราที่กายในใน ที่เร ม, มากัา้นตั้งแติตัวไม่สิงตัวตวควาวิธีเระ่งับความโกรธประเด้๋ยภูุณไม่ ห, หัน่ปสนใ่เลยนแสดรความรัสกสมบูรณ์เราทุ่งสารถ้าอยจะสร้างความรักให้รักให้ใหม่คงก็ต้องาอาศัยอาศัยารารมะวัตถุจิตตัวใจที่เรื่องใจการให้ผู้าจากให้ไว้สเสมอตัใจสองพัสดี จะไม่จะไม่ชอบจะไม่ชอใจเรื่องพยายามพูดไม่พยายามพูดก็แค่เสียใจนะสุดใจที่สามใครใครเข้าใ จ, จงานเราช่วยช่วยหรือใจงานองเขาเม่อไรนี่เสเมื่อไรนี่เไม่ถือตัวไม่ถตัวในเมื่อทําทำได้อย่างนี้ความปวดก็ามาเทาตัวเราเพราอะไรเพราะว่ามีกุญแวคนที่ทำารื่องวดขาได้น้อย ยังไม่หมดนะถ้าที่คาถาเรียนมีความรัความโรคยังมีอยู่ความปรดยังมีอยู่แต่เรื่องไม่รู้ไปดเลยไม่รู้จะทำอะไรไะทำอะไต่อมาก็ไปพิจารณาความหลงความหลงสิทธิ์จะโสดาบันไม่มีใครเราให้ต้องความในใจจะมีความโกรธ เขาการไม่รอบใจก็แค่จะมีความหลงได้าาาด่างกายฉันก็การความบริสุทธิ์พุทามสาหรับพระเจ้าอิคารมีต้องปัดความหลงให้ลดตัวลงพิจารณาหาความเป็นว่าคนเราทุกคน เ, คเกิดมาแล้วเห็นอะไรางฉะนนเมื่อความเกิดมีอยู่ความแก่เขาตรงไปเกิดจากแก่ก็เดยขอคู่กัน ขณะที่ทรงตัวอยู่ความปวยไข้ไหลสบายก็ลงมีการทักท่าวรักของทอดใจก็องการฝเกความตายเคารพระดูนั่งทางที่คิกว่าจะทรงตัวตลอดสมัยหลงไหลไปไาในโลกโร่งไปของตัวเองประตาเมื่อประตาเป็นตัวเอรวบคนทุกคนไม่มีความเที่ยวมีแต่อนาถาไม่เห็นตา ถ้ากรหม่อาร้าัวต้นรรมดาตัวต้นเป็นเด็กเล็ปาร้รงตัวเป็นเด็กเ็ก็เกิทยตัวลงต่อมาก็ไปเด็กใจต่อมาก็เป็นหลงเป็าจสาป็นขนาดที่เป็นหลงเปาเรื่องไม่แยกชื้นใหญ็นทรงตัวอยู่ร่างกายก็ไม่รงตัวต่อไปก็เข้าความแต่เข้ามาถึงแตกน้อยจนนังแตกมากไรูสึกความแตกก็เข้ามาถึง แต่เมื่อความจริงรู้เหันหากก้ามเรื่องายเป็นอย่างนี้เราจะลหลงไหลไปวันในร่างกายก็อยู่ได้ให้คิดไปเสมอว่าวันนี้เราหนุจจ่มรสาวตัดคนหนึ่งข้างหน้าเราถือความแตกไว้เรื่องขึ้นไหวก็เสมอลอยไปตามจังหวะเวล า, าพอเวลาล่วงไปความแตกก็คลึงตัวกายก็ไปต่อไร ในที่สุดความแต่รอถึงความทุกข์หนักก็เกิดขึ้นหูป้าตาฟังฟันครับจล็บขาเลยไม่สะดวกนึกเป็นต้นครับเราเกิดใส่ความทุ ก, ก, กทาาข์โความว่าเขาจะบิดคาาเมื่อใส่ความหลงจากร่างกายบริเองคนร่ารงกายคนอื่นไม่มีความสัญเพรก็ตัดร่างกายของเองได้นนนนแล้วก็ตัดร่ารงกายคนอื่นได้ แต่เฉพางอย่างนี้ไม huh? pe ่จะเด็ดแต่บร enfin ิเยณรูปแต่ใช่ไหมตัวเองเะไรยังไม่แต่ทื่พระานเทศน์เสมอว่าแต่บริแวณร่างกายไม่แต่เข้าใจไหกทางทางคือใจแก่์บริวณหงอกหูฟ้าตามฟังผันทั้นงเหี่ยวแคร์ร่างเดยไม่กระยับไหวขาตั้าแลยออกแต่ทางคือใจไม่ยอมแต่ไม่รอให้ตัวเอง คือไม่เลี่ยนจงกระจกถ้าตำนานจกระจ ก, ก็ตกใจคือผิเม่อหลอกง่ายกว่ามาซีกูหนุ่มอรกาวนี่ยนะว <c oughs> เห็นก็เออเลานผวหลอกสับไม่รยนะวันนี้แกเท่านี้ทำดวถ่ายรูปมาดวันนี้ถ่ายรูปไว้สดเป็ น, นเวลาไว้คือซหนึ่งถ่ายอีกถ่ายอีกครั้งหนึ่งแล้วมาเปรียบเทียกันไอซีหนึ่งก็ถ่ายอั้งถ่ายซีละครั้ง แม่ลูปก็ดีในเท่าสื่งความเดือดแรงของรูปไอ้เมื่อเห็นความเี่ยนแรงของลูกได้เราใส่ความหลวงมนเทาลงกลงความว่าจะเพื่อทางธรรมีต้องตัดโลภความโลภด้วยทานการให้เห็นโทษที่ความโลภถหงนนั้นงนสกานให้ตัดโทษทางความโรธเสร็จตรงนีหันขึ้ อันนี้เจ้พ่อบรหารจีนแ่้จะที่เข้าใจผู้คนบางคนเพราะว่าถ้าเราจะ้าิหารืีนแล้วก็ถูกรัดต้องคิดว่าคิดว่าเราต้องรักเขาเราต้องสงสารเาเราต้องทาใจดีกลาบเราต้องไปเใยเขาบเฉยจีบจปนมุ่นคนบานไม่อยากจะคิดบางเนื่ไชอบคิดคนเไม่ชอบคิด สำหรับที่ท่านไม่ชอบพิษก็ใช้สมาธิแทนสมาธิก็คือว่าใช้เราเห็นสีอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเห็นสีแดงถ้าเห็นสเหลืองถ้าเห็นสีขาวถ้าเห็นสีเขียวเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเริ่มจากตัวจากตัวเกตัวอย่างในสมัยพระเจ้าในพระลูกชายในแท่งกอง ในบวชในสุนัของพระสารีบตรเธอเป็นคนหลมด้วยและเป็นคนรวยด้วยพระสารีบตรก็มีความพระเจริญละคนหลงคนรวยละกับทั้าสองอย่างร่วม ก, ก, กัน อ, อาจจะหนักเรืองบนบนราคความรักก็ให้อาสุบุระมาถายได้เลยท่านจะเอาอาสุบรมาถายได้หนงสามเดือนในบริษาไม่มีผลแม้แต่น้อย พอมาออกภาษาแล้วคิดในใจว่าชายคนนี้พระองค์นี้คงไม่ไม่ใช่ผู้ชายาที่จะฝึกได้ต้องเยพทเจ้าจึงพาไปเท้ารู้พเจ้าการเรียนให้ทรงทราบผาผลกานให้ทรงรูามาสามเดือนเธอไม่ใช่จมาแต่พระาเลยพระเจ้ามองเห็นก็เข้าใจว่าคนนี้ไม่ใช่ราคาใจเป็นโทรศัพใ พระเจ้าจะบอกว่าชาติว่าชาติ่าคุณกอสชาติหมดคนลรหมุผู้ในิการท่มาถึงหนานพุทธเพื่อไมได้ก็ไม่ดีใช้ดุจจ่าต่อไปชาติหมรจ่าเมื่อทราบว่าชาตุหมดจ่าแล้วพระเจ้าก็ตอให้กำลังใจนับตรงใจรับชาวโลกในเชิงตัวนี้ไม่จะัวทองคำก็ดอกไปหให้ไปสีแดง วอร์ร่าอรันเปนนน้ำหน้าเดือดหันเป็นน้ำในกองใจให้มูนใจขึ้นแล้วกล้ามโกรตักใส่ให้ลืมตาหม้อจ้องเจ้ามองจำภาพที่แดงไว้ถ้ากระดาษการนั่นคือภาพที่แดง <c oughs> ให้รู้น่าวัเตจองกระทนนังตโโีเสือกระดินให้รู้เสือรู้กระดินาานัง่งยืดหัวดีแท้รู้กระดงกระดินนั่ง แต่ว่าภาพสีแดงภาพสีแดงนึกใสใจก็เลื่อนตาวดูเป็นภาพสีแดงชัดสับตาภาวนาใหม่พัดใจเดินทางไปก็เดินตาวดูใหม่ทำในนี้สองสามรอบก็ไปชิ้นเสื้อตรงตัวภากโปร่งงินชัดลอยอยู่ตรงนาแถมมาถังคับในโถก็ได้สังก็ได้จะอยู่ใต้ก็ได้อยู่บนก็ได้ไปเล็กก็ได้อหญ่ก็ได้จะดีส่บใจ ถ้าพระเจ้าอยู่ในมองหาลี้หายคิดในใจว่าเวลานี้เจอควมสามารถตรงฤทธิ์ี่แดงได้แล้วแ ต, ต่ว่าถ้าเราไม่ช่วยเ้วจะไปรู้อารมณได้ไหมก็ทรงทราบว่าท่าไม่ช่วยไม่สามารถจะรู้อารมได้พรตั้งใจช่วยขณะอุทละองั้น ล, ลึมตาดูงดวงวัวชี่แดงเลิกตาดวงน้นึกถึงภาพภาพลอยอยู่ในทักษะเล็กใหญ่กรได้จะเได้ก็ะได ตอนนี้อ่โง่จับกระพาวตัวลงพอมาลุ้นในรถจะโง่ก็ตัวในนิดกับบัวที่ทิ้งสีสดใสให้เศ่้าหมองแทนที่จะแดงจัดก็แดงไม่จัดรู้สึกเก่าลงไปถ้ามันเล่นนี้มิจะถึงจนที่ขึ้นใจจะึี่จะแสเดือดตาโดนตบโมไปเห้นตัวบัวเข้าหองไปจนนิดแต่ใจ ก็ที่เราเค้รอดใจมากเวลานี้สภาหมองไปไอ้ร่างกายเราก็ไม่สามารถถือเวลานี้มันหลงความนึกถึงวาสนายายงนั่นที่คือสมเวลานันนี้มันหลไม่ทั้งเพข้ามองแก่ไปตามนึาหรับกามนึกเป็าาภาพตัวตัวที่สนใจเรื่องวางเก่าลงไปเพรานึกถึร่างกายด้วยก็ร่างกายเราก็จะเข้าไปาเก่าลงไปตามนี้ ถ้าเวลานั่งพระเจ้าหรืว่าเธอสรงสมาธิคนนึงจะอยู่มีปัญหาดีขึ้นเรื่งที่รื่ที่ยดองโบวนั่นสิดผักหลือจะหลือจะปักนะกับใกล้ถ้เาเราดึาใจออกมาดูใหม่ทุกใบใจเรามันทิ้งดบบอกโบยจะไปดอกโบยถึอเวลาที่ติดหลงหมดแล้วเรือจะี่ักหรือที่ก้านร่างกายของเราจะมีสภาพเป็นที่ที่เดียวกัน ภายในไม่ช่าเร่างกายมันก็จะตายในเมื่อเรื่องกายกายชีวิตจิตใจออกจากก้ากมันก็จะเหมือนกับดอกงูอที่มีแตใกล้กับสับเปิแต่ในล้วหลักตานันจะพลาดนั้นแล้วใจกายต่อไปนั้นรู้ว่ากายมีควาเสียตอนนี้พระพุทธเจ้าก็เลิกอันนี้เลึกใหม่ให้ับกัวนั้นถักจะ่ท่าเล็กดอน้อยกระจากจายทั่วไป อาเอาได้มันนึกถึงที่บัตนาใหญ่คือความตายความแก่ความโตความชราความโกลาหลไม่่ราลืมตายมาโดยว่เห็นดอกเห็นก้านวัวหักกับวัวก็จะกระจเืออะไรนอกมันนึกเใจว่าต่อไปชราตายว่าตายแล้วคืออ่อนแล้วไปใชั้นหนังยื่อกรดไปเลือดเยืดไปจัรใจเ้นตัวหายไปเลก็จะหลุดก็หลุดก็จะขายไปทอดหือนปลาดิบ การกรายดรว่องไรในคราวนี ph, genocide, 4, 4้แม้ที่ดเรื่องมรุษยลกเผื่รื่องการทหารเชี่อว่านายเจ้าเดิมทูดว่จากทุกท่านน่าะคยทานคาโีย้านยาสัดโทไใจบเทาตัวลงก็ต้องใช้พรมยานสี่ล้วก็สิ่งีอย่างอย่างใดอย่างหนวิหารนี้ต้องใช้ทั้งสี่อย่างคือหนึ่งม่าความรักคิดว่ามนุษย์ปีศารปีศาจในโลกนี้ทั้งหมด มีความรักร่างกายของเขาเองเรามีความรักร่างกายเช่นเียวกเช่นใดเขาก็มีความรักร่างกายเช่นเดียวกันเราจะต้องมีความรู้สึนั้เราต้องการให้บิษทรูสึกต้องสรเราเป็นฉันดเขาก็มีความต้องการให้เราต้องส้างเขามือนใจบริการที่สามถ้าเราได้ดีเราก็ดีใจบริษัได้ดีบก็ดีใจ แต่จะไม่ิส่ได้ยามแล้วคนอยู่ได้ดีปัมญายังมาด้วยแต่การจะี่ถ้าสิ่งใดถ้าไม่เคยมีสายยาข้างได้เราจะบางเฉยเราจะไม่ทำลายสิ่งนั้นให้ได้ด่งเดินได้งกลางเขาป่ียที่จะติดเชื้อติดยาเาจะวาเฉยถ้าทาติดไปเฉยๆการสมุนไพรายมันปวดไข้ไม่สบายบริวารอยู่ท่อธรรมดาในโลกนี้ คนแรกที่เกิดมาในโลกต้องทุกข์ปวดร่างกาหมดถ้าความตายจะเข้าถึงเราจะอาสิทธิ์มเเฉได้หมต้องถฉยได้นะเฉยได้กว่าตายเฉไม่ได้กว่าายเราคิในใจคือถึงว่าความตายเของธรรมดาเราเกิดมาแล้วต้องตายคนอื่นที่เขาเกิดทีหลังเราตายก่อนเราเปนเยอะเกิดต้องก่อนเราตายจะตายก่อนเราเั็นเยอะเกิดก่อนเรา่าตายก่อนเราเป็นเยอะ ไ่รอยืนประเดี๋ยวยองไงเราก็ต้องตายสิเดินไปในที่กุดก็จิตว่างเฉยสายใจที่เข้ามาถึงแม่ว่าญาโยมธู้ต้องกทุกคนที่นงที่นี่นะคนใหญ่ต้องการพระนิรพาจงยาวให้รูปเรียขาบายเฉยเฉยเฉยจะถือว่าร่างกายมาต้องไปแล้ต้องสิ้นไปเสมอว่า ชาติตายนี่ชาตายแล้วก็ขอให้ตา ย, ายเป็นชาติสัวท้ายใจตื่นกวัญตื่ชาติที่เป็นชาติตัวท้ายความตายตายชาติที่ชาติสัดท้ายชาตต า, า, ายต่อไปจตอเรียนเ่องเรีนเชื่อเราเราต้องการสุดเดียวถึงท้านตัวนนเราไม่ยางนี้นถ้าตัวนนเราไม่ยังนี่ทุกวันให้คิดวันว่าเราจะต้องตายแต่ความจะพระสดาวานันในที่อยู่แล้วนะ ใใสกตายสองในที่โชกุจ่าประดามประสงค์นาทีครึ่อ ง, งอันมีศพทิคือแล้วสกตายสามมีหินห้าลูกหมดถูกต้นต้สนทำต้นมีอยู่แล้วสกตายสี่ตัดโลภความโลภใจเบอโลแลราทาแล้วสกตายห้าพราตัดโทให้เราลงเ้าทาแล้วต่อไปเรากัดหมอนความหลงสกตายยอมรมับต่อถือปาตังเรเป็นจริยอมรับต่ถือขนต้งองธรรมดาว่าธรรมดาของโลกมีอะไรบ้าง ธรรมดาเขาโลกคืหนึ่งเกิดส อ, ง, ด ง, อาาททงแก่สามป่วยสี่คลายจลาของรับของมจิใจห้า่ายทิเวทเดิมเรามาธรรมดาวิชาโลกทั้งหมดทีของห้อย่างนี้เกิดไปด้วเราก็ไป็ชาวโลกคนหนเพื่อเราเกิดขึ้นมาได้แล้วมันก็ต้องแก่ทางแก่ดีสองอย่างรือแตกขึ้ น, นกับแข่ลงแตกขึ้นในหมายความจากความเป็ยาดเล แต่ก็วาเป็นเด็ใหญ่จากเกด็ใจเป็นลูกสาวก็ไม่แสบขึ้นแ้่ต่อไปก็แก่ลงจากลมเป็นสาวก็เรื่องรียหาใบกลางคนทิ่แก่ลงพุทธศวรจากไไ้จนควก็คือหาคงแตบแสบแก่ก็ถึงใจดวงความย้อนลัคน์หรือกฎธรรม ด, มด า, ดด า, า, มาทั้งหมดพระอรหันต์ทุกองมีความรู้เดื่องแสบ ถ้ารลนพระองค์ยอมรับราือธรรมดาคืความศพที่จะไม่มีกับท่ความตุ้มที่จะไม่มีกับท่านถ้าหล well si yes. hmm. าไม่มีุ้มไม่มีศพเงไมีความเียใจแต่ไม่มีการกระเจิงใจไม่เคยใช้ทาให้ไม่ชอบใจเพรารยอมรับยอมรับก็ถือกฎธรรมดาธรดาแยกจบขึ้นเลยสบายจะนานเานี่เสียงมันแยกเป็นที ตอนนี้อดกจะจะงตั้งแจมารมาทำงานเรา